พระราชดำรินี้ก็ไปตรงกันเข้ากับข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นเจโตวินิพันธะคือเครื่องผูกพันใจห้าข้ออันได้แก่ ความติดใจยินดีความพอใจความรักอยู่ในตามข้อหนึ่งในกายข้อหนึ่งในรูปข้อหนึ่ง เป็น3มข้อกับความที่บริโภคอิ่มแล้วการเอนการซึมเศร้าเป็นข้อที่ส กับความที่ตั้งจิตปรารถนาว่าด้วยการปฏิบัติในศีลในวัดทั้งปวง นี่เขาให้ไปเกิดเป็นเทพหรือเทพชั้นใดชั้นหนึ่งอันเป็นข้อที่หา้าห้าข้อนี้เรียกว่าเป็นเจโตวินิพันธะคือเป็นเครื่องผูกพันใจอันทำให้ ไม่น้อมใจไปเพื่อประกอบความเพียรเพื่อจะทำความเพียรติดต่อฉะนั้นจึงไม่เป็นฐานะที่จะทำให้มรุถึงความเจริญงอกงามไพยบูรในพระธรรมวินัยนี้ดังนี้เพราะฉะนั้น ความที่ราถนาจะไปเกิดเป็นเทพนี่แหละจึงเป็นเทวบุตรมารเพราะเมื่อต้องการสวรรคสมบัติก็เป็นอันว่าทำให้ติดอยู่ในสวรรคสมบัติไม่ให้บรรลุถึงนิพพานสมบัติ ได้เพราะฉะนั้นสมบัติทั้งปวงมนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีเมื่อติดอยู่จึงเป็นมารต่อ น, นิพพานสมบัติจะต้องละมนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติได้จึงจะบรรลุทางนิพพานสมบัติได้ เทวบุตรประมาณข้อนี้จึงหมายได้ถึงสมบัติทั้งปวงดังกล่าวทั้งที่เป็นมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติเมื่อไปติดอยู่เสีแล้วก็เป็นอันว่าเป็นมานตอนนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นมารทั้งห้าประการเหล่านี้จึง เป็นมารตอนนิพพานสมบัติพระพุทธเจ้าได้ทรงผจญมารทั้งห้านี้ได้จึงได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าและก็ได้ทรงสแสดงธรรมสั่งสอนเพื่อให้ผู้มุ่งปฏิบัติเพื่อพ้นกิเลสและกองทุกได้รู้จักหน้าตาของมารทั้งห้านี้เพื่อว่า เมื่อตรงการินพานสมบัติก็ต้องปฏิบัติเพื่อนละมาทั้งห้านี้เมื่อเป็นดังนี้จึงจะบรรลุถึงนิพพานสมบัติได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัตรนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการประภูมิประภาคอารหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั่นตั้งใจถึงพระองค์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 กล่าวโดยย่อก็เพื่อประโยชน์สามประการคือประโยชน์ปัจจุบันอันเรียกว่าทิฏฐ ธ, ธรรมิกัตถะประโยชน์ที่มังเกิดขึ้น ในธรรมะคือข้อที่เห็นได้อันหมายถึงว่าเห็นได้ในปัจจุบันสัมปราชกัถประโยชน์ภายหน้าและ ประโยชน์อย่างยิ่งอันเรียกว่าปรมัตถะอันหมายถึงมรรคผลนิพพานคือธรรมะที่ตัดกิเลสในกองทุกข์ได้บางส่วน จนถึงสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคลือหัดภูอยครองเรือนอันเรียกว่าคาระวะให้ปฏิบัติในประโยชน์ ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้าทรงสั่งสอนบนรรพชิตคือภูบุตรในพุทธศาสนาตลอดจนถึงคารวาสครือขัส มุ่งประโยชน์ที่สูงขึ้นไปให้ปฏิบัติในธรรมะอันเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานอันเรียกว่าปรมาทัประโยชน์นั่น สำหรับในการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานหรือกล่าวอย่างง่ายๆว่าเพื่อละกกิเลสและกองทุกข์นั้นกล่าวโดยย่ อ, อ ก, ก็คือปฏิบัติในไตรสิกขา อันได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเมื่อกล่าวโดยจำแนกไปอีกก็ได้แก่มักมีองค์แปดมักมีองค์แปดนี้สรุปเข้าก็เป็นศีลสมาธิปัญญานั่นเอง เพราะฉะนั้นมันไปคิดคือภู้บุในพระพุทธศาสนาตางความมุ่งหมายตั้งแต่ต้นมาก็มุ่งโมตดเพื่อปฏิบัติละกิเลสและกองทุกข์ อันเป็นปรมัติประโยชน์ดังกล่าวมานั่นอันหนึง่งแม้ว่าในเวลาต่อมาถึงปัจจุบันจะมีการบวชช่วระยะเวลาอันสั้นเพื่อเข้ามาศึกษาปฏิบัติ พระธรรมวินยัยที่ภิกษุจะพึงศึกษาปฏิบัติอันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อละกิเลสและกองทุกข์ก็คงปฏิบัติ อยู่ในหลักแห่งศีลสมาธิปัญญานั่นเองถึงว่าครือขั์ครวิผู้ที่ต้องการประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าเมื่อรวมเข้ามาแล้ว ก็คงปฏิบัติอยู่ในหลักแห่งศีลสมาธิปัญญาด้วยเป็นแต่เพียงว่าหอนลงมาในรายละเอียดทั้งหลายที่แบ่งแยกออกเป็นข้อๆให้น้อยเข้าพอเหมาะพอควร แก่ความเป็นครือขัดคารวัตเห็นว่าศีลของภิกษุมีจำนวนที่กำหนดกันไว้สำหรับแสดงที่มาในพระปาฏิโมกข์ 227ข้อคือจำแนกออกเป็นข้อข้อเป็นรายละเอียดก็เป็น227ข้อแต่สำหรับคือหัดคระวาดก็เป็นสห้5สิน8จำแนกออกเป็นาข้อ8ข้อ ดังนี้เป็นต้นซึ่งก็รวมเข้าในคำว่าศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นครือขัสไม่ว่าจะเป็นบันปะคิดก็คงปฏิบัติอยู่ในศีลแม้สมาธิในปัญญาก็เช่นเดียวกันก็คงปฏิบัติอยู่ ในสมาธิและในปัญญาเพื่อให้บรรลุถึงสันติคือความสงบกายสงบวาจาสงบใจและโดยตรงก็คือสงบใจอันเป็นหลักสำคัญ จึงมาปฏิบัติทมกิตภาวนาทั้งในขั้นสมาธิและในขั้นปัญญาอยู่ในกันดังที่มาปฏิบัติกันอยู่นี้ก็มุงที่จะทำให้จิตใจ บรรลุถึงความสงบก็คือสงบจากกิเลสอันเป็นส่วนเหตุสงบจากความทุกข์อันเป็นส่วนผลที่เกิดจากเหตุคือสงบกิเลสสันติคือความสงบดังกล่าวนี้ เป็นข้อมุงหมายแห่งการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาและก็มีความหมายที่รวมได้ถึงคำที่ว่ามรรคผลนิพพาน หรือว่าพนกิเลสพลทุกข์ละกิเลสละทุกข์คำเหล่านี้ก็รวมอยู่ได้ในคำว่าสันติเพราะฉะนั้นจึงได้มีพุทธศาสนาุภาษิต ที่แสดงไว้ว่าความบริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้ามองใจทั้งหลายเป็นความดับจากทุกข์ทั้งปวงนั่น คือสันติของใจซึ่งเรียกว่นนานิพพานเพราะฉะนั้นตามพุทธศาสนาสุภาษิต ท, ที่แปลมานี้ที่เรียกว่า น, นิพพานนั้นก็คือ สันติของใจหรือความสงบของใจความสงบของใจนั้นก็ได้แก่ความดับจากทุกข์ทั้งสิ้นและ ความดับจากทุกสังทิ้นั้นก็เพราะวิสุทธิคือบริสุทธิจากกิเลสเครื่องเศร้ามองใจทั้งหมดการปฏิบัติเพื่อวิสุทธิคือความบริสุทธิ จากเครื่องเศร้ามองใจทั้งหมดจึงเป็นไปเพื่อนความดับจากทุกทั้งสิ้นนี่แหละคือสันติของใจความสงบของใจที่เรียกวันนิ้พานฉะนั้น โอปปติบัตธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิตเช่นมาปฏิบัติทำกิจภาวนากันอยู่นี่จึงเป็นการปฏิบัติเพื่อสันติของใจ ที่เรวันนี้ผ่านนั่นเองอันจะพึงถึงได้ด้วยการปฏิบัติให้จิตนี้บริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้ามองใจทั้งหลายอัน ส่งผลให้เป็นความดับจากทุกข์ทั้งหลายการปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาก็เพื่อสันติของใจดังที่กล่าวมานี่และ ได้มีพระพุทธภาสิต ท, ที่แสดงไว้ถึงสันคติิกนิพันธ์คือนิพานที่เห็นได้ในปัจจุบันหรือทิฏฐธรรมนิพานนิพานธที่เห็นได้ปัจจุบันในปัจจุบันอัน หมายถึงสันติของใจแม่ที่ทุกๆคนผู้ปฏิบัติธรรมะในบรรลุถึงกันอยู่แม้ว่าจะเพียงทั่วครั้งทั่วคราวเช่นในบรรลุถึงอยู่ในขณะที่ปฏิบัติธรรมะ เในขณะที่ปฏิบัติทำกิจภาวนาใจบริสุทธิ์จากกิเลกกองโลภโลกรดหลงทั้งหลายไม่มีทุกข์อยู่ในใจในขณะที่จิตบริสุทธิ์นี้ใจจึงสงบ แม้เพียงเท่านี้ก็เป็นพิธธรรมมีการนิพพานหรือสันติการนิพพานนิพพานที่เห็นได้ในปัจจุบันของผู้ปฏิบัติทั่วไปได้ซึ่งมันเกิดขึ้นช่วขณะหรือชั่วครั้งชั่วคราวก็ตาม และอาศัยการปฏิบัติแม้ชั่วครั้งชั่วคราวนี้ได้ความสองบข อ, องใจเมื่อปฏิบัติบ่บบอยๆเข้าก็ย่อมจะได้มากขึ้นนานขึ้นจนถึงสามารถบริสุทธ์จากกิเลสได้จริงๆอย่างเด็ดขาด ก็จะทำให้ได้ความดับทุกข์อย่างเด็ดขาดได้สันติของใจอย่างเด็ดขาดจนถึงเด็ดขาดในที่สุดก็เป็นปัจจุบันอีกเหมือนกันคือเป็นสันติิกขเป็นทิฏฐธรรมอีกเหมือนกัน คือเห็นได้ในปัจจุบันอันหมายความว่าไม่ต้องไปรอในภายหน้าเห็นไปรอว่าต้องครุงนี้ต้องมรืนนี้ต้องปีหน้าต้องชาติหน้าแต่หมายความว่าเห็นกันได้ดูนี้ วันนี้เวลานี้อันหมายถึงว่าเวลาที่สามารถปฏิบัติทําจิตให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาได้บริสุทธ์จากกิเลสทั้งหลายได้พูกทั้งหลายดับไปได้ สันติของใจก็มีได้มีได้ให้เห็นได้ให้รู้ได้ในเดี๋ยวนี้ในวันนี้ไม่ต้องรอไปว่าต่อจากเดี๋ยวนี้หรือพรุ่งนี้เป็นตน้นดังที่กล่าวมาแล้วดังนี้แหละ ธรรมะจึงเป็นสันนิษฐ์โกที่เห็นได้เองในพุทธศาสนาเห็นได้ในปัจจุบันและแม้ว่าจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวก็ไม่เป็นอะไรเพราะทีแรกก็ต้องถูกครั้งชั่วคราวไปก่อนและเมื่อทำบ่อยๆทำมากๆเข้า ได้บ่อยๆได้มากๆเขาก็จะยืดยาวยิ่งขึ้นจะมากยิ่งขึ้นจนถึงบริสุดบริบูรณ์เต็มรอบในที่สุดดังที่กล่าวมาแล้วอันหนึ่งในการปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนา เพื่อบรรลุถึงสันติของใจที่เรียกวันนิพพานแม้ที่เป็นชั่วครั้งช่วคราวที่เป็นปัจจุบันดังกล่าวมานั่นก็จะต้องมีประสบมานทั้งหลายมีขันธามารเป็นต้น เป็นเครื่องขัดขวางต่อการปฏิบัติทำให้การปฏิบัติเพื่อชาระกิเลสเพื่อให้บริสุทธิ์จากกิเลสนี้เป็นไปไม่ได้สะดวกทำให้ดับทุกข์เป็นไปไม่ได้สะดวกทาให้ สันติของใจเกิดขึ้นมาได้ยะไม่ค่อยจะได้ข้อแรกก็คือขันธมารมานันคือขันได้แก่ขันห้าย่อเข้ามาก็เป็นนามรูปคือกายใจนี่เอง ซึ่งในการปฏิบัติธรรมะดังที่กล่าวโดยย่อคือศีลสมาธิปัญญานั้นก็ต้องใช้กายใจนี้เองปฏิบัติแต่ว่ากายใจนี้ก็คร้านคือเกียตคร้านที่จะปฏิบัติ หรือว่าทออแท้ทางกายทออแท้ทางใจไม่ต้องการที่จะปฏิบัติอดทนต่อหนาวร้อนหิวระหาย และเครื่องที่มาทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆไม่ได้เมื่อต้องประสบกับทุกขเวทนะาก็ไม่สามารถที่จะทนได้ ทั้งต้องการจะให้กายใจนี่ได้พบกับสุขเวทนาเช่นที่เป็นการมาสุคทั้งหลายก็ทำไม่ได้เหล่านี้เป็นต้นเป็นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้